เธอต้องอาบัดปาราชิกวงเล็บเรื่องที่79ปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งจบ